มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตติยวัณฑ์ภสสาลักขณะปัญหาที่แปดถามว่า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 ขอถวายพระพรบพิษผู้ประเสริฐผัสสะเมื่อจะเกิดมีลักษณะกระทบกันเข้าพระเจ้ากรุงมิลินจึงซักถามว่าได้ใจความประการใดเล่านหม่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาโดยอุปมาให้แจ้งก่อนพระนาเคเสนจิงถวายพระพอรอุปมาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสริงคารเปรียบานดุดแพสองตัวชนกัน แพะตัวหนึ่งนั้นได้แก่จักขุแพะตัวหนึ่งนั้นได้แก่รูปสันนิบาตแห่งแพะทั้งสองชนกันยะถามีครุวนาชันใดภาษะนั้นก็มีลักษณะเกิดแต่จักขุรูปกระทบกันมีครุวนาดังนั้นพระราชสมภารพึงเข้าพระทัยเถิดสมเด็จพระเจ้ามิลินเลิศกษัตริย์ตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้ ป, าาหปิญโยภาวะยิ่งขึ้นไปกว่านี้